เวทนาในเวทนาคือให้เรารู้จักความทุกข์เป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรและความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อมีสุขมีทุกข์ก็ให้มีสติรู้ถึงสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยและตามกฎแห่งกรรมแต่หน้าที่ที่สําคัญของเราก็คือการรักษาจิตให้เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มากน้อยอย่างไร เราจะพยายามไม่หลงไปกับสิ่งนั้นๆเวทนาก็แต่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปไม่ควรยึดถือผูกพันในเวทนานั้นเวทนาทั้งหลายมีอยู่เพียงเพื่อรู้ไว้เท่านั้นเพื่อระลึกไว้เท่านั้นและละความพอใจและไม่พอใจในโลกเสียควรพิจารณาทบทวนอยู่บ่อยๆ จิตในจิตคือให้เรารู้ชัดตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปภายในจิตของเราเช่นจิตมีหรือไม่มีราคะก็รู้ชัดจิตมีหรือไม่มีโทสะก็รู้ชัดจิตมีหรือไม่มีโมหะก็รู้ชัดจิตมีหรือไม่มีความหดหู่ก็รู้ชัดจิตมีหรือไม่มีความฟุ้งซ่านก็รู้ชัดจิตมีหรือไม่มีความสงบก็รู้ชัด จิตมีหรือไม่มีความหลุดพ้นก็รู้ชัดเฝ้าดูจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไรในขณะนั้นๆจิตมีอาการหรือจิตไม่มีอาการอย่างไรก็รู้ชัดและรู้ว่ามันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปไม่ควรยึดถือผูกพันในจิตนั้นเพื่อลักความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียควรพิจารณาทบทวนอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เท่าทันอยู่ซึ่งจิตนั้นๆ ทั้งหลับตาและลืมตาก็ต้องสังเกตจิตอยู่เสมอๆทำในธรรมคือการนมวดธรรมต่างๆมาพิจารณาเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาใครครวญดีแล้วก็นามาใช้ในชีวิตประจาวันทั้งนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ทำได้ทั้งจะหลับตาหรือลืมตาก็ทำได้ไม่จากัดอะไร ก็ต้องสังเกตจิตรู้จิตรู้ธรรมไปเรื่อยๆหลักธรรมทั้งหมดธรรมหมวดนี้พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะไว้ละเอียดมากถ้าคนไม่ตั้งใจหรือไม่สนใจในการปฏิบัติจริงๆจะเข้าใจได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจหมวดนิวรณ์ห้านิวรคือสิ่งที่เกดกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมหนึ่งกามฉันทะ ความพอใจในกรรมคุณให้รู้ชัดว่ากรรมคุณมีก็รู้ว่ามีกรรมคุณไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อมีควรละอย่างไรหรือละด้วยวิธีการแบบไหนต้องสังเกตในใจของเราให้ชัดเจนข้อสองพยาบาทความคิดร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นให้รู้ชัดว่าพยาบาทมีหรือไม่มีเมื่อมีควรละและละอย่างไร และแบบไหนต้องสังเกตในใจของเราให้ชัดเจน 3. ความม่วงเหงาเซื่องซึมให้รู้ชัดว่าความม่วงเหงาเซึ่องซึมมีหรือไม่มีเมื่อมีควรละและละอย่างไรและแบบไหนต้องสังเกตในใจของเราให้ชัดเจนสความฟุ้งซ่านและงดหงิดรำคาญใจให้รู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านและงดหงิดราคาญใจ มีหรือไม่มีเมื่อมีควรละและละอย่างไรและแบบไหนต้องสังเกตในใจของเราให้ชัดเจนหความลังเลสงสยัยลังเลในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ให้รู้ว่าเกิดมีความลังเลสงสัยอย่างไรคิดดูด้วยเหตุผลให้รอบคอบและให้ถูกต้องโดยธรรมแล้วละความลังเลสงสัยนั้นเสีย ดูจิตว่ามีความลังเลอีกหรือไม่อย่างไรและละไปแบบไหนดูในใจของเราให้ชัดเจนหมวดอุปทานขันห้าความยึดถือในขันห้าขันหคือส่วนประกอบ5อย่างที่รวมประชุมกันเข้ามาเป็นชีวิตของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใน5้าอย่างนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ รูปธรรมและนามธรรมหรือกายกับจิตนั่นเองการเฝ้าสังเกตความเกิดดับและความยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐานในข้อธรรมในธรรมให้รู้ชัดว่านี้คือรูปนี้คือการเกิดของรูปนี้คือการเปลี่ยนแปลงของรูปนี้คือการดับของรูปความยึดถือในรูปเป็นเหตุของความทุกข์ ให้รู้ชัดว่านี้คือเวทนาที่เป็นความสุขความทุกข์นี้คือการเกิดเวทนานี้คือการเปลี่ยนแปลงของเวทนานี้คือการดับไปของเวทนาความยึดถือในเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์ให้รู้ชัดว่านี้คือสัญญาความจำได้หมายรู้นี้เกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรและดับไปอย่างไรความยึดถือในความจาเป็นเหตุของความทุกข์อย่างไร ให้รู้ชัดว่านี้คือสังขารความคิดปรุงแต่งความปรุงแต่งนี้เกิดขึ้นได้ Reserve อย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรและดับไปอย่างไรความยึดถือในความคิดปรุงแต่งเป็นเหตุของความทุกข์อย่างไรให้รู้ถึงวิญญาณการรับรู้นี้เกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและดับลงอย่างไรความยึดถือในการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างไรหมวดอายตนาภายในหก อายตนะภายนอกหอายตนะภายในหกตาหูจมูลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับสัมผัสใจรู้ธรมรมารมณ์ ทาในธรรมหมวดนี้คือเมื่อเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับสัมผัสและใจรู้ธรรมารมใหเรารู้ชัดถึงความร้อยรัดยึดติดผูกพันกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นเหตุของความทุกข์ที่จะตามมาเราต้องรู้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างไรเมื่อมีก็รู้ว่านั่นเป็นความยึดถือเป็นความผูกพัน เป็นกิเลสที่เราต้องลดให้มันน้อยลงและละให้มันหมดไปมวดโพชชงเจ็ดคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจ็ดอย่างองค์ธรรมเจ็ดประการ น, นี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พบสภาวะธรรมอันประเสริฐโพชชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโพธชงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติ สธรรมวิจยะสัมโพชฌงองค์แห่งการตรัสรู้คือการเลือกเฟ้นธรรมอันเหมาะสมสวิริยะสัมโพชฌงองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรพยายามสปิติสัมโพชฌงคองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจหปัจสธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ องแห่งการตรัสรู้คือความมีใจตั้งมั่น 7. อุเบกขาสมโพธชงองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางวางเฉยเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงการเจริญธรรมในธรรมในหมวดโพชชงเจ็นี้เมื่อโพธชงใดเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าคือโพชชงข้อไหนเป็นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วและจะเจริญให้บริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นๆหมวดอริยสัจสี่ความจริงอันประเศรศสริฐสี่อย่างการเฝ้าตามดูทำในธรรมในหมวดอริยสัจสี่คือความเป็นจริงอันประเศรศสริฐสี่ประการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปให้เราเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นความเป็นจริงสี่อย่างนี้ใจเราให้ชัดเจนรู้จริงเห็นจริงความทุกข์ก็จะน้อยลงและหมดไปในที่สุด หทุกขอริยสัจความเป็นจริงคือทุกข์ได้แก่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความเสียใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สรุปโดย ย่อความและยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นทุกข์เมื่อมีทุกเกิดขึ้นควรกําหนดรู้แล้วก็พยายามรักษาใจไม่ให้หวันไวไปกับทุกขนั้น 2. ทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกขต้นเหตุของทุกคือตัณหาความทยานอยากอันประกอบด้วยความกําหนัดยินดีความเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตัญหาความทยานอยากนั้นก็จะเกิดขึ้นในที่นั้นแล้วก็จะตั้งอยู่ในที่นั้นเมื่อมีความทยานอยากจนเป็นเหตุของความทุกข์ควรละความทยานอยากนั้นเสียเพื่อความทุกข์จะได้ดับไป 3. ทุกขนิโรธความดับแห่งทุกข์ความสงบเย็นในด้านจิตใจความดับทุกนี้ควรทำให้แจ้งประจักษ์ในใจตนนิโรธความดับทุกข์คือความสารอก และความดับไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่อะไรในตัณหานั้นๆก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหาบุคคลนั้นละเสียก็ย่อมละเสียได้ในที่นั้นและเมื่อดับก็ย่อมดับอยู่ในที่นั้น ข้อ4ทุกขะนิโรธคามิดีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงสภาวธรรมแห่งการดับทุกข์ทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเป็นทางเดียวที่จะดำเนินถึงความดับทุกข์ได้คือ 4.1 ปัญญาอันเห็นชอบได้แก่ความรู้ในอริยสัจสี่คือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุใหเกิดทุกข์ความรู้ในธรรมที่ดับทุกข์ ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ 4.2 ความดําริชอบได้แก่ดําริในการออกจากการมความดําริในความไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียน 4.3 การเจรจาชอบได้แก่การงดเว้นพูดโกหกการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดการงดเว้นจากการพูดคําหยาบการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 4.4 การกระทำชอบได้แก่การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในกราม 4.5 การเลี้ยงชีพชอบได้แก่การงานอาชีพที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เลี้ยงชีพด้วยความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นเป็นการอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพโดยชอบ 4.6 ความพยายามชอบคือมีความเพียรพยายามโดยชอบธรรมมีความเพียรพยายามไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นมีความเพียรพยายามละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตให้ออกไปมีความเพียรพยายามทําให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมีความเพียรพยายามประคองตั้งจิตรักษาจิตในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดํารงตั้งมั่น และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้น 4.7 ความระลึกชอบคือมีสติระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึก4ประการเมื่อระลึกอยู่เจริญอยู่จิตย่อมเป็นไปในกุศลเป็นผู้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงของกายในกายเพื่อกำจัดความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสีย เป็นผู้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงของเวทนาในเวทนาเพื่อกำจัดความพอใจแ ล, และไม่พอใจในโลกออกเสียเป็นผู้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงของจิตในจิตเพื่อกำจัดความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียเป็นผู้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงของธรรมในธรรม เพื่อกำจัดความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสีย 4.8 ความตั้งจิตมั่นชอบคือจิตที่เป็นสมาธิและการสงัดแล้วจากการสงัดแล้วจากอากุศ ล, ลกรรมบรรลุ ถ, ถึงความสงบแห่งจิตมีความผ่องใสภายในจิตเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นจึงถึงฌานที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ที่เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเพื่อวิมุตติและ วิมุตติยานทัศนะการเฝ้าตามรู้ทำในธทรรมเพียงเพื่อรู้ไว้เท่านั้นเพียงเพื่อการระลึกไว้เป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ทั้งไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ในชีวิตประจําวันพื้นฐานความรู้จักแนวทางการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ศึกษามาก็เพื่อนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยทั่วไปไม่ใช่เพียงแต่ตอนนั่งสมาธิเท่านั้นต้องประพฤติและปฏิบัติอยู่เสมอๆในการทำจิตให้สงบและการพิจารณาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้และการสังเกตจิตให้รู้เท่าทันสิ่งที่กระทบตามหลักศีลและธรรมโดยมีจิตหรือมีความรู้เป็นศูนย์กลางหรือจะเรียกว่ายืนรู้ก็ได้คือมีสติระลึกรู้อยู่เป็นปกติ รู้นี้มีหลายอย่างเช่นรู้โดยสามัญย์รู้เพื่อออกจากสัตว์รู้เหนือความเป็นสัตว์เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้อยู่โดยรู้นั้นต้องเป็นความรู้ด้วยธรรมไม่ใช่รู้ด้วยความหลงแบบโลกโลกรู้ได้ธรรมเป็นการรู้เพื่อลดเพื่อละเพื่อถอนเพื่อปล่อยวางซึ่งกิเลสเป็นสติรู้เพื่อพัฒนาให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้น ในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรมบางครั้งเราก็สวดมนต์ไหว้พระต้องสวดมนต์ด้วยปัญญาไม่ใช่สวดมนต์ด้วยความหลงงมงายบางครั้งเรานั่งเจริญกรรมฐานคือให้มีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกบางครั้งเราอยู่กับสติสัมปชัญญะบางครั้งเราอยู่กับการพิจารณาในหลักธรรมต่างๆบางครั้งเราก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปดับไปโดยรู้ตามหลักสติปัฏฐานสี่บางครั้งจะอยู่ในเรียบทหรือทำงานใดๆก็ต้องมีสติโดยธรรมบางครั้งพบผู้คนต่างๆอาจจะมีปัญหาและอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นก็ต้องรู้ในสิ่งนั้นๆด้วยหลักธรรมในสติปัฏฐานสี่เพื่อความละความพอใจและไม่พอใจนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าจะหลับตาลืมตาก็ต้องทําตลอดทําให้มากเจริญให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์ในสติปัฏฐานสี